พระนางทรงให้พระมานดาเลี้ยงไปแจ้งแล้วรับทรัพย์พระราชาทรงส่งวอทองไปรับแต่พระนางต้องการเสด็จด้วยพระบาทโดยให้ปูลาดเครื่องลาดด้วยผ้าเปลือกไม้อย่างดีตั้งแต่ที่อยู่จนถึงกรุงราชครึกถึงแล้วได้พระรชทานผ้าอย่างดีเหล่านั้นแก่พระมานดาเลี้ยงเป็นข้าเลี้ยงดูแล้ววันที่เสด็จกลับนั้น